ท่านพระอาจารย์ธวัชบัรพชาหรือบวชเนี่ยที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็เป็นบวชตั้งแต่เป็นเนนเลยนะครับบวชอยู่กับหลวงปู่ล่าเขมปัตโตที่วัดภูเจ้าก้อนะครับแล้วก็อุปสมบทเป็นพระพิสุที่มุกดาหารเหมือนกันนะครับแล้วท่านก็จาพรรษาที่วัดภูเจ้าก้อนหนึ่งพรรษาแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่จามที่มุกดาหารนะครับไปอยู่กับหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ ห น, หนึ่งปีนะครับแล้วก็กลับมาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายหลังจากนั้นท่านก็มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอยู่กับหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนะครับ13ปีนะครับหลังจากนั้นท่านก็ออกวิเวกแล้วก็ไปก่อตั้งวัดป่านาคําน้อยจนถึงปัจจุบันนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่านาคําน้อยครับก็หนึ่งใน ท่านพระอาจารย์ถวายมีพระคุณอันใหญ่หลวงกับคณะแพทย์ศาสตร์และก็ได้รับการถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมาซึ่งสมเด็จพระเทพได้ถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคาซึ่งปีหนึ่งก็จะมีมีบุคคลที่ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำเนี่ยปีละหนึ่งท่านนะครับ ปีนี้เป็นท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้รับพระราชทานการถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคําเมื่อปี2550วันที่18ธันวาคมนะครับขออนุ ญ, ญาตอ่านคําประกาศเกียรติคุณท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกในการได้รับการถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคํานะครับท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเป็นพระเทระผู้ใหญ่ผู้มีประฏิปทางงดงาม เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศนะครับท่านได้รับเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัดป่านาคำน้อยตำบลมันกล้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี2523นะครับและเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันนะครับท่านพระอาจารย์ินถวายเป็นพระที่มีเมตตาสูงท่านได้เลองเห็นความสาคัญของการศึกษาของเยาวชน ในชุมชนท่านได้สงเคราะห์ชุมชนในการก่อสร้างอาคารเรียนทุกระดับนะครับทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษารวมทั้งศูนย์การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนนะครับตลอดระยะเวลาที่10ปีที่ผ่านมาท่านได้สร้างอาคารเรียนกว่า20หลังนะครับและก็มีมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับให้กับอาจารย์และก็นักเรียนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานา น, านถึง20ิกว่าปีแล้วนะครับท่านพระอาจารย์อินถวายได้ให้ความสำคัญกับด้านสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านได้สงเคราะห์อุปกรณ์กางการแพทย์แกโ่โรงพยาบาลต่างๆไม่น้อยกว่า1ิแห่งมูลคา่าก็ไม่น้อยกว่า14ล้านบาทนะครับและท่านเป็น ผู้ริเริ่มและเป็นประธานในการพัฒนาหอสง์อาพาทแห่งใหม่ที่ชั้นสิบของอาคารสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนีอนุสร์นะครับหรืออาคาร19ชั้นของโรงพยาบาลศีนครินทร์ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่หลังจากพระเทพเสด็จก็คือ18บธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับหอสง์อาพาทแห่งใหม่นี้ได้รองรับพิสุอาพาททั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ขบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพิธีพระราช ม, มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาแปดสิบพรรษานะครับและก็ทิงพิเศษอย่างนั้นก็คือว่าท่านได้วางกรอบเป็นต้นแบบการรักษาตามหลักของพระธรรมวินัยในการที่จะปรับปรุงหอสรงอาภา์นี้นะครับงบประมาณในการก่อสร้างนี้ก็ไม่น้อยกว่า14ล้านก็คาดว่าจะย่ล้านนะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังรเริ่มก่อตั้งกองทุน หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเพื่อสงอาพาศและก็เพื่อเป็นปัจจัยในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในหอสงอาพาศในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้พระสงฆ์สามารถที่จะได้ทําหน้าที่ในการสั่งสอนอบรมพุทธศาสนิกชนต่อไปซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการธนุบำรุงพุทธศาสนาสืบไปก็จึงถือว่าเป็นผู้มีเกียรติคุณดีเด่นสมควรได้รับการถวายรางวัลของพระทาตุพนมทองคํา ประจำปี 2,550 นะครับเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูตลอดไปนะครับครับก็วันนี้ก็พวกเรามีโอกาสโชคดีที่จะมารับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่ด้วยรับพรปีใหม่นะครับและก็เป็นการรับฟังเติมสิ่งที่ดีๆในชีวิตของพวกเราต่อไปก็ จะขอเริ่มพิธีการในการที่เราจะได้รับฟังพระธรรมเทนศทนาของท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกในลําดับต่อไปครับจากนมัสกั่ครับเนื่องจากว่าเราอยากจะให้มีพิธีการบางอย่างเพื่อให้ให้ครบถ้วนนะครับในการแสดงธรรมของท่านก็จะมีการไหวพระสวดมวนต์ก่อนนะครับกับขอบคุณคำทุกท่านกล่าวคําบูชาพระราตรยพร้อมกันครับ อิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกรนตังธมังอภิปุชยามาอิมินาสการนาตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ูทางพควันตังอภิวาเทิสวาคาโตพรขวตาธรมโมธัมมังนามสารสุปฏิปโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆนามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัขณาทายะติสระเนนัสหะ ปัญจสิรานียาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัขณาทายาติสรเนนัสหะปัญจสิรานียาจามะตัตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัขณาทายาติสรเนนัสหะปัญจสิรานียาจามะ ก่อนที่จะรับสินหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับพวกเราทุกๆ ท, ท่านศาสนิกชนเมื่อปีก่อน 2,549 หลวงพ่อก็ได้มานั่งที่นี่ในคราวนั้ น, ก, นก่อนที่จะให้สินก็ได้อธิบายเรื่องสินพอสมควรแต่ คิดว่าศรัทธาญาติโยมโ ล, ลูกหลานก็คงจะหลงลืมลือนเลื่อนลางเพราะว่าเราพูดอยู่ทุกวันก็ยังมีการหลงอันนี้ข้ามปีมาแล้วหลวงพ่อว่าคงจะลืมหลงลืมและก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าศีลเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษา รักษาไปเพื่ออะไรทำไมเวลามีาศาสนพิธีจะวังเทศอย่างนี้จำเป็นทำไมจึงต้องรักษาศีลด้วยทำไมจึงไหว้พระและเห็นพระทุกครั้งก็รักษาศีลด้วยบางคนบางครั้งเมื่อรับศีนไปแล้วก็ไม่เห็นมีการรักษาอะไรก็ผ่านผ่านไปทำเป็นเพื่อเป็นพิธีเท่านั้นอันนี้ก็คงจะเป็นคำถาม ถึงจะไม่ถามออกเป็นคำพูดแต่ก็คงจะถามในใจของพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังแล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบนั้นๆด้วยเพราะนั้นหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดก็ตามท่านา น, นานๆทีหลวงพ่อจะพูดอธิบายเรื่องศีลให้แก่ลูกหลานสาธุชนที่เกิดมาเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังแต่ว่าผู้ที่ได้เข้าขศึกษา ในหลักของพระพุทธศาสนาเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็คงจะพอเข้าใจในศีลของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงถึงจะเข้าใจแต่ก็ไม่ซึ้งบางคนทำไมจะว่าไม่ซึ้งเพราะว่าเวลาศึกออกมาแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของศีลทำหมดทุกอย่างคือไม่รักษาศีลเลยบางทีบางคนก็ยิ่งยิ่งกว่า ผู้ที่ไม่เคยบวชเะอีกอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือความไม่ซึง้งไม่รู้เรื่องของสินแต่ถ้าว่าผู้รู้เรื่องของสินสินมีคุณค่าอย่างไรต่อชุมชนสังคมต่อโลกนถ้าว่าเรารู้แล้วนั่นละจึงจะรู้จักคุณค่าและจะควรปฏิบัติตนอย่างไรใครเป็นผู้รักษาสินมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องรักษาศิล น, นั้น ตามได้จริงศีลของพระพุทธศาสนาศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติมาสองพกว่าปีก็เพื่อเป็นเพื่อให้มนุษย์โลกไม่ว่าชาติชั้นวันหน้าไหนถ้าว่าเป็นผู้มีศีลแล้วคนในกลุ่มนั้นชาตินั้นกลุ่มนั้นก็จะสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเหมือนกับกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองถ้าว่าใคร จะเป็นผู้รักษากฎหมายใครจะเป็นผู้เคารพกฎหมายถ้าหาว่าคนที่รู้กฎหมายเท่านั้นจึงสมควรที่จะรักษากฎหมายคนที่บวชเท่านั้นคนแก่เท่านั้นจึงจะเป็นผู้รักษาสินอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่ทุกวันนี้จะลักษณะอย่างนั้นคือคนที่ เข้าวัดเข้าว่าคนที่ไม่ได้ทำการทำงานแล้วแล้วก็คนกลุ่มนั่นแหละเป็นคนที่จะรักษาศีลห้าแล้วก็พวกลูกหลานทั้งหลายมองๆแต่คนรักษาศีลห้าเหมือนกับคนคึกคนล้าสมัยคนปดระหว่างลักษณะอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นสำหรับคนหนุ่มหรือว่าคนทั่วทวไป คนที่รักษาศีลนั่นก็คือลักษณะมองมองดูแล้วเหมือนกับคนคึคนล้าสมัยคนที่ไม่ได้ทำการทำงานอะไรแต่อย่างนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยนี่แหละคือความเข้าใจผิดแต่ตามพระจริงศีลของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเหมือนกับกฎหมายประเทศชาติกฎหมายประเทศชาติเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพวกนิติศาสตร์พิพากษาอายการตารวจเท่านั้นะ พวกพวกนี้เขารู้กฎหมายเขาจะต้องรักษากฎหมายแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องรักษากฎหมายไม่ต้องเคารพกฎหมายจะทำอะไรก็ทำได้เพราะเราไม่เรียนรู้เราไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ได้ประเทศนั้นชาตินั้ น, นกลุ่มนั้นต้องเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติไม่เคารพกฎกติกาอันนี้ก็เหมือนกันกฎหมายก็คือศิลสินก็คือกฎหมายกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าถ้าเราเอามาวิเคราะห์ดูแล้วถ้าว่าผู้มีสินอยู่ด้วยกันชุมชนนั้นจะสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้าแต่ถ้าว่าคนในชาติหรือคนในกลุ่มนั้นขาดสินและธรรมคนในกลุ่มนั้นเดือดร้อนวุ่นวายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อจะได้นำชี้แจงเป็นข้อข้อให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ริเริ่มที่ว่า ต่อไปหลวงพ่อจะกล่าวนาโมนาโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความแปลหรือความหมายลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมกล่าวนาโมนาโมแปลว่าอะไรนาโมในความหมายของนาโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้เราพูดถึงสามครั้งคือเรากราบ ต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้ให้ข้อคิดเป็นผู้กำหนดเป็นผู้บัญญัติศินห้าพวกเราเห็นว่าสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเราจึงนำนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติศีลธรรมตามแนวทองพุทธวันนั้นเมื่อเรานำทำของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ เราก็ต้องนอบน้อมต้นความคิดคือพระพุทธเจ้าต้น พ, พุทศ า, า, นำทำาสนานําทําคำส่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพราะวันั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าถึงสาครั้งน้โมตัสสะจากนั้นพุท ธ, ธงังทำมังสังคังสรนังคัฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นาศาตราเป็นต้นพระพุทธศาสนา พระธรรมคือคํอคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าพระสงฆ์คือสาวกที่นําพระธรรมคํ า, คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาขยายผลแนะนําสั่งสอนให้พวกเรารับรู้รับทราบว่าพระธรรมคํ า, คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์นํามาเผยแผ่ขยายผลพระธรรมคํ า, คาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าคงจะหมดในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะนั้นเราจึงเห็นพระคุณว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย เป็นผู้มีพระคุณอย่างมากเราจึงยึดพระ พ, พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ดุติยามปิพุทธทงธรรมังสังขังสระนังคัฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองยืนยันอีกครั้งที่สองว่ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาติยามปิพุทธทางธรรมังสังขังสระนังคัชามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สาม ยืนยันถึงสครั้งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเราได้ยินได้ฟังธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นว่ามีเหตุผลเราจึงยอมเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นว่าพุทธมามะกะพุทธบริษัทจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาัิยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่า เราพิจารณาดูแล้วพระพุทธเจ้ามองดูแล้วท่านจึงมันหยัดสินข้อที่หนึ่งการฆ่ากันไม่เป็นผลดีการฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาก็อะไรใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอะไรพอเราไปฆ่าเขาแต่ในความรู้สึกในใจของเขานั้นเรามองไม่เห็นว่าเขามีความทุกข์อย่างไรแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานเรา เรามีความรู้สึกอย่างไหนอันนั้นเป็นความรู้สึกอย่างทุกข์ใจอย่างมากอยู่ในหัวใจถ้าจะว่าแน่นก็แน่นว่าจะว่าทุ ก, ก็ทุกที่สุดในเมื่อเขามาทำร้ายเราในเมื่อเราไปทำร้ายเขาก็คงจะเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทั้งสองทั้งสองข้างเพราะนั้นพระพุทองค์จึงบัญญัติินว่าอย่าฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน การไปฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนเขาเป็นทุกข์ถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สองของพระพุทธเจา้าถ้าเรานํามาพิจารณาทบทวนดูแล้วเป็นยังไงมีคุณค่าไหมการไม่ฆ่ากันอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาธานาเวรปณีการขโมยของคนอื่นเขาเขาก็รักสิ่งของของเขาถ้าเขามาขโมยของเร า, าเราจะมีความรู้สึกอย่างไร อย่างมาขาโมยพ่อขโมยแม่ของเราขโมยลูกเมียของเราโมขโมยหลานของเราอย่างนี้ลูกเล็กเด็กแดงไปโรงเรียนเนี่ยเขาขโมยไปอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเราไปขโมยของเขาเขาก็มีความรู้สึกเสียความ ร, รู้สึกอย่างมากแต่ถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินเป็นข้อที่สองอย่าขาโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อันนี้สินข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีถ้าใครก็ตามไม่เคารพสิทธิ์ของสามีภรรยาของคนอื่นคนอื่นเขาก็เดือดร้อนถ้าเขาไม่เคารพสิทธิ์ของเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นสินข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าล่วงล้ำอธิปไตยของเขาของเราให้เคารพสิทธิ์ของเขาอันนี้ สินของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาดูแล้วมีคุณค่ามีเหตุผลทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าทุกคนมีสินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีห้ามไม่ให้โกหกการโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นเขาเนี่ยมันเสียทรัพย์สมบัติไม่ใช่โกหกธรรมดาโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาอันนั้นคือการโกหกประเภทโกหกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่โกหกเล่นๆธรรมดา การหลอกลวงเขาการต้มตุนเขาโดวยวิธีการต่างๆจนเขาเสียทรัพย์สินเสียยศถาบรรดาศักดิ์เสียทุกอย่างบางทีด้วยการหลอกลวงต้มตุนเขาถ้าว่าเขามาต้มตุนเราอย่างนั้นเราก็เสียใจยถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สอย่าหลอกลวงอย่าต้มตุนอย่ากโกหกเขาพวกเราคิดดูที่มีคุณค่าไหม ใครสมควรจะเป็นผู้รักษาศีลเหล่านั้นสําหรับคนแก่ใช่ไหมสําหรับพระในวัดใช่ไหมหรือเป็นหน้าที่ของใครถ้าพิจารณาดูแล้วทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษาศีลถ้าโลกทั้งโลกต้องการความร่มเย็นเป็นสุขเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะต้องรักษาศีลแล้วก็ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปมากการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา พวกเราก็คงจะรู้ว่าพิษภัยของสุรานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ที่เรารายงานขึ้นมาต่างคนก็ต่างกลัวขายหน้าจังหวัดตัวเองนะหลวงพ่อว่านะคงจะอุบเอาไว้ไม่กล้าเสนอให้มากตายเท่าไหร่ก็เอาไว้จะพึ่งเสนอขึ้นมาปิดไปก่อนกลัวขายหน้าตัวเองหาตกบกกองหลวงพ่อมันกว่านั้นที่คนตายในวันปีใหม่สงกรานเพราะนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะดื่มสุรา คนดื่มสุราคนขาดสติสามารถที่จะที่จะ ท, ทาความชั่วได้หลายหลายอยา่างอันนี้พอเมาสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วขับรถชนเฉี่ยวคนอื่นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าเพราะนั้นเราพิจารณาดูซิว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสินศินห้าประการมีคุณค่าไหม หลวงพ่อว่าศีลห้ามีคุณค่าอย่างมากมากถ้าว่าพูดทุกคนมีศีลห้าอย่างน้อยถึงจะไม่ประจําจริงๆก็ให้สําเนียรสํานึกไว้ว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้านะั้นมีคุณค่าสําหรับเราพุทธบริษัททุกๆคนสมควรพวกเราจะต้องรักษาไม่มากก็ต้องน้อยถ้าว่าทุกคนปล่อยปะละเลยถือว่าศีลธรรมไม่จําเป็นสําคัญสําหรับตนเองแต่ให้แต่เฉพาะ พระหรือเฉพาะคนแกเ่เท่านั้นที่สมควรจะรักษาศีลคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่จําเป็นอย่างนี้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นและก็คงจะเดือดร้อนมากกว่านี้ไปอีกถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ชี้แจงเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้าสมควรแก่บุคคลเช่นไรที่จะต้องรักษา พันธุพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าศีลห้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทกท่านจะต้องรักษานับหนึ่งจากข้าพเจ้านะนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงใครจะไม่รักษาก็ก็ช่างแต่ข้าพเจ้าจะงดจะรักษาศีลห้าถ้าทุกคนคิดได้อย่างนั้นนะอย่างนี้นะนับหนึ่งจากข้าพเจ้าน คนอื่นกับสุดแท้แต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นน่าจะมีศินห้าคนนี้น่าจะมีสินห้าพระน่าจะเป็นผู้มีศินคนแก่น่าจะเป็นผู้มีศินอย่างนั้นคืออยากจะให้คนอื่นเป็นผู้มีศินตัวเองล่ะสมควรไหมตัวเองน่าจะเป็นผู้มีศินเป็นอันดับแรกนะเพราะนั้นศินธรรมที่หลวงพ่ออธิบายพวกเราทุกๆ ท, ท่านก็คงจะพอเข้าใจต่อจ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำ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 นะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ ทำมังสรนางคัจฉามิสังคังสารนางคัจฉามิสังคังสรนางคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนางคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนางคัจฉามิ โทติยัมปิธรรมมังสารนางคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสารนางคัจฉามิโทติยัมปีสังคังสรนางคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนางคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนางคัจฉามิตาติยัมปิธรรมมังสรนางคัจฉามิ ตายัปิธรร ม, มังสระนังคจามิตาติยัมปิสังคังสระนังคจามิตาติยัมปิสังคังสระนังคจามิสระนักขมา น, างนังเนธิตังปามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทียามิอตินาธานาเวรมะนีส nah ิกขาปะทังสมาทียามิอตินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทียามิกามีสมิจฉาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทียามิ กามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิมุสาวาธาเวรมณีสิขาปะทังสมาธียามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธียามิสุราเมระยัมฉะปมาทฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธียามิสุราเมระยัมฉะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาทียามิอิมานิปันจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโอกะสัมปธาสีเลนานิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทายสัทุมมาจโรกาทิปติสหมปติกัอัญเชริอันทิวรัง อายาจถตสันติสัตตาชรตตาชาติกาเตเสตุตมังอนุกรรมปิมังปะชังตอนนี้ไปตั้งใจฟังตั้งใจฟังเทศฟังธรรมตรงพ่อคงจะไม่พูดอะไรยาวพูดในเป็นแนวความคิดประจำปีพุทธศักราช2551เป็นปีใหม่อย่างที่ท่านรองพออเกิดเบื้องต้นมา ฝังปีใหม่ฝังเทศปีใหม่2551นะโมตัสสะปะโกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติยันติ สีเลนะโภกสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยตีติวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มาเป็นองค์กล่าวสัมโมนิยกถาเป็นรอบที่สองเมื่อปี2549หลวงพ่อได้มาพูดครั้งหนึ่ง แล้วกับปี 2,551 ปีนี้ก็ได้มาพบกับศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้มากล่าวสมโมนักษ์กระถาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนั้นถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดคณะกรรมการที่จัดงานหรือว่านิมนต์พระสงฆ์มาท่านตั้งให้หลวงพ่อพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมัยนั้นกำลังพูดกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ของพี่น้องประชาชนคนในชาติคือเป็นคำดำรัดเรื่องความตัดเป็นคำพูดของในหลวงพูดออกมาต่างคนก็ตีต่างตีความหมายไปคนละทิศ ท, ทางกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับทำแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆกินแบบของโบราณไม่ต้องกระตือหรือล้นลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นอย่างนั้น ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักพอเพียงอย่าไปโลภเกินไปอย่าไปขี้เกียจขี้คล้นานลักษณะอย่างนั้นปีนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ปีนี้คณะกรรมการจัดงานาได้ให้หัวข้อที่ให้หลวงพ่อพูดในวันนี้ว่ารางวัลของชีวิตรางวัลของชีวิตแต่หลวงพ่อค่อยฟังดูว่า หลวงพ่อจะอธิบายยังไงให้ฟังว่ารางวัลของชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะี่เพราะฉะนั้นลูกหลานศาทุชนลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั้งหลายให้ตั้งใจฟังนะวันนี้หลวงพ่อนานทีหลวงพ่อจะได้มาปีเว้นปีจะได้มาพบกับลูกหลานวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว วันนั้นให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจฟังพวกเราเป็นสาธารณชนเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้มุ่งหวังความเจริญเข้าสู่จิตใจจะทํำยังไงใจของเราจึงจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรพวกเราก็คงจะถามหรือว่าถามในใจความจริงความสุขที่แท้จริงของพวกมนุษย์ชาตินั้นคืออะไร อันไหนคือความสุขที่แท้จริงถ้าว่าพวกเราค้นคว้าไปแล้วถ้าว่าคนมีทรัพสมบัติมากๆมีเงินคำทรัพสมบัติมากๆแต่พิจารณาดูแล้วก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะว่าสมบัติเหล่านั้นพร้อมที่จะมีผู้แย่งชิงแล้วก็เบียดบังแล้วก็ทำร้ายเจ้าของทรัพย์อย่างนี้เป็นตน้น ก็หาความ ส, สุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะต้องระ ว, วังระวังในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแล้วก็ความสุขที่แท้จริงคนมียศถาบรรดาศักมียศถามันยศสูงสูงไปที่ไหนก็มีคนเคารพนับถืออย่างนั้นใช่ไหมและคนเหล่านั้นเขาก็ระ ว, วังระวังอีกว่ายศถาบรรดาศักดิของเขานั้นวันหนึ่งอาจจะหลุดหล่นลงไปก็ได้เพราะนั้นก็ไม่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง แต่นี้ทางว่าความสุขที่แท้จริง เ, เมื่อเรามีเงินคำทรัพย์สมบัติพอประมาณครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายยศถาบรรดาศักดิ์ของเราก็พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนอันนี้ใช่ไหมที่ความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็คงจะไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงในหลักของพระพุทธศาสนานั้นให้ค้นคว้าลงสู่ใจนะอย่างที่ มีญาติโยมเข้าไปถามหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเขาก็ถามว่าจําเป็นไหมคนจะต้องเข้าวัดเข้าว่าจะต้องมาศึกษาธรรมะเพราะเหตุไรเพราะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วเอ ม, มีครบในฐานะครอบครัวของเขามีความสุขสามีภรรยาลูกของเขาเงินคำทรัพย์สมบัติครอบพอเป็นไปไม่มีอะไรเดือดร้อนก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องเข้ามาสู่ศึกษาธรรมะ เข้ามาวัดวาศาสนาศึกษาธรรมะมีแต่คนมีทุกข์ในใจเท่านั้นเองจึงวิ่งเข้าหาธรรมะเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อประคับประคองหาทางออกทางด้านจิตใจเพื่อจะหาความเออทางออกทางการประพฤติปฏิบัติทางจิตใจของตอนเองเพราะไม่มีทางออกทางอื่นเพราะนั้นจึงหันหน้าเข้าสู่วัดแต่คนที่มีความสุขอยู่แล้วผมว่าไม่จาเป็นใช่ไหมอันนี้ก็คือคาถาม หลายหลายคนหลวงพ่อว่านะถึงจะพูดออกปากหรือไม่พูดออกปากอ อ, ออกเป็นวาจาแต่ในใจนั้นเขาก็คงคิดอย่างนั้นเพราะว่าความสุขไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปสู่วัดวาศาสนาไม่ต้องศึกษาไม่ต้องค้นคว้าเพราะก็มีความสุขอยู่แล้วทอนี้ฟังในยสิทีหลวงพ่อจะอธิบายยังไงให้แก่คําตอบนั้นหลวงพ่อบอกว่าจริงอยู่การที่คนเราทุกคนว่ามีความสุข มีความสุขมีหมดทุกอย่างก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ตามไม่จิกในหลักในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุธรรมที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงแดนแห่งว่าแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชไปศึกษาจนได้ตัดสรุ้ธรรมจากนั้นท่านนำธรรม คำสั่งสอนที่ท่านได้ตัดสร้ในวันเดือนหกเพนเอามาสอนพระสงฆ์สาวกของพระองค์พระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มากมายแต่ในสายตาแล้วในในแนวความคิดของพระอรหันต์นะไม่ใช่ปุตุชนน ะ, ะไม่ใช่ปุตุชนคิดก็ว่าพระอรหันต์ที่ท่านออกจากโลกไปแล้วหนีออกจากขันคือกิเลสราคะโทสะโมหะ หนีออกจากมรรสุมคือสิ่งที่ปั่นปว่วนสิ่งที่ปั่นปวน่วนนันคืออะไรแก่เจ็บตายคือมรรสุมปั่นปว่วนมนุษยชาติแต่ท่านออกจากวงจรเหล่านั้นแล้วท่านมองเข้ามามองเข้ามาเห็นสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกที่พวกเราว่าสุขๆนั่นน่ะเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทาอะไรอีกใช่ไหมพระหันสาวกก็ดีพระพุทธเจ้า พรอมพระหันสาวกอดีท่านมองพวกที่ว่ามีความสุขนั้นมันเหมือนความมันเหมือนกับความสุขหมูอยู่ในเล้าอ่เหมือนกับวัวอยู่วัวขุนพังกันอ่ะงัวขุนที่อยู่ในคอกหรือเหมือนกับหมูที่อยู่ในกรงในเล้าหมูอยู่ในกรงในเล้าถึงเวลาเขาก็ให้อาหารให้น้ำให้อาหารล้าง น้ำล้างคอกมันก็อยู่อย่างสุขมันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันอยู่ในคอกมันก็ว่ามีความสุขไม่จําเป็นจะต้องไปหากินที่อื่นไม่ต้องเดือดร้อนกินแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นในเวลาเขาก็ให้กินหมูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อีกสักวันหนึ่งมันคาดไม่ถึงหมูมันคาดไม่ถึงว่านั้นคืออะไรแต่ผลที่สุดหมูได้ขนาดพระยามรรจุราชเข้ามาเห็นหมูนี่ได้ขนาดแล้ว จากนั้นเขาก็เอาหมูตัวนั้นไปขึ้นเขียงไปทุบหัวไปเชือดคอนั่นแหละหมูตัวนั้นก็จะดิ้นผาดผาดผาดผดความสุขในเมื่ออยู่ในกรงในเลานั้นมันหายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านกลัวที่สุดก็คือมรณะภัยที่จะมาถึงมาสู่จุดพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการศึกษาธรรมะ หรือการศึกษาเข้าไปค้นคว้าศึกษาธรรมะที่จะหาหนทางออกจากภัะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นอย่างไรอันนี้มันไม่ใช่ความสุขอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายคิดความทุทกข์นั้นมันมาหันที่จะบดขยี้เราอยู่อีกวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ไว้ใจไม่นอนใจในความสุขเล็กน้อยเหล่านั้นเพราะนั้นพระพุทธองค์เอง ยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสุขในครวัตของท่านมีหมดทุกอย่างในเวียงในวังแต่ทำไมสิทธะจึงหนีออกไปบวชนี่แหละจุดนี้แหละเพราะท่านเห็นความแก่เห็นความเก็บเห็นความตายที่จะมาถึงท่านอยู่เพราะนั้นท่านจึงหนีไปค้นคว้าไปอยู่ในป่าถึงหปีไปศึกษาจากนั้นท่านจึงได้บรรลุธรรมได้ตัดสู้ธรรม จากนั้นท่านจึงนํำทำคําสั่งสอนมาเผยแผ่แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนญาติโยมครั้งกันน้นมาถึงครั้งกันนี้ 2,000 กว่าปีธรรมะของพระพุทธเจ้าเจ้ายังคงเส้นคงวาอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนในหลายหลายระดับสําหรับศรัทธาญาติโยมท่านก็สอนอีกระดับหนึ่งสําหรับพระสงฆ์ผู้อยู่ภายในหรือว่าพินผู้อยู่ข้างในผู้ปฏิบัติเอาจริงจังท่านก็สอนในระดับหนึ่ง สำหรับครวา่าต์ญาติโยมท่านท่านก็นบอกว่าพวกญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านยังไปบวชยังไม่ได้ยังถือเพศพมจรรย์ไม่ได้ถือเป็นนักพรตนักบวชยังไม่ได้เมื่อพวกท่านทั้งหลายยังเป็นครว่าต์อยู่พวกท่านต้องอทําตนเนี่ยดังนี้เนีน่ยอย่างนี้เป็นต้นนะจากนั้นท่านก็นบก่าให้มีทานนะให้มีศีล น, นะ ให้มีภาวนานะคือท่านสอนให้ทานการอยู่ร่วมกันต้องมีการเสียสละถ้าว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละไม่มีการเสื่อเผื่อแพ่กันต่างคนต่างอยู่ไม่มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันโลกทั้งโลกหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมีการเสียสละมีการให้อภัยกันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน อย่างที่อาจารย์หมอวิทูลพูดนะแต่เป็นฝ่ายพระก่อสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ถ้าเป็นฝ่ายฆราวาสญาจโยมเราพอที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ได้เราก็สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เพื่อมนุษยชาติด้วยกันถ้าหาว่าโลกทั้งโลกมีการสงเคราะห์กันโลกใบนี้ก็น่าอยู่ไปที่ไหนก็คนนั้นก็ทํานั้นคนนี้ก็ทํานี้ช่วยสงเคราะห์กันโลกทั้งหลายก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยน้ํา กินน้าใจคือการเสียสละการให้อภัยทานอย่างนี้การให้ความรู้ความฉลาดแก่นักศึกษานักเรียนอย่างนี้หรือว่าการให้ข้าวน้ําโภชนะอาหารอย่างนี้หรือว่าให้เสียสละทุนทรัพย์ที่ตัวเองหามาโดยชอบธรรมเสียสละให้แก่เพื่อนมนุษย์หลายหลายอย่างคือสรุปแล้วก็คือค ม, มีน้ําใจมีการเสียสละมีทานคือการทานและศีล รักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวสินห้าประการอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังศินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าก็มีคุณค่าจากนั้นก็เรื่องภาวนาภาวนาคื อ, คอทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งถ้าหาว่าจิตของเรายัางปุงฟุ้งซ่านอยู่เราจะมองไม่เห็นคุณงามความดี แต่ถ้าว่าเราจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างรอบข้างของตัวของเราและมองไกลอมองใกล้ก็เห็นทุกอย่างเพราะว่าเหมือนกับคนยืนนิ่งคนยืนนิ่งจะต้องมองเห็นได้ไกลเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าว่าคนสายไปสายมาวันไว้ควยแขว่งเหมือนกับคนนั่งอยู่บนจิงชาอย่างนั้น เ, เราจะมองเห็นอะไรไม่ชัดทั้งหมด อันนี้ก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าธนวมะการศึกษาธรรมะเรื่อแนวความคิดสุดตรมย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอันนี้ก็คนเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดปัญญาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นยังไม่ได้ไข่ควรไตร่ตรองเหตุและผลก็ยังไม่สมบูรณ์ทางว่าเราได้ยินว่า กินตามยะปัญญาปัญญาจะเกิดจากการจินตนาการทบทวนไข้ควรไตร่ตรองเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้วคือไม่เชื่อทีเดียวและไม่ปฏิเสธทีเดียวถ้าว่าได้ยินอะไรมาเชื่อทั้งหมดอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ถ้าได้ยินอะไรมาก็ตามปฏิเสธทั้งหมดก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเมื่อได้ยินมาแล้วเราต้องไตร่ตรองด้วยปัญญาของเราที่มีอยู่กันกรองดูไตร่ตรองดูงด้วยเหตุผลอันนี้ว่า จินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทําจิตให้นิ่งทําจิตให้สงบในเมื่อจิตสงบแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วนําจิตที่เป็นหนึ่งนั้นนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลนั้นๆอันนี้เรียกว่าอันนี้ท่านว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาภาวนามยพปัญญาเนี่ยเป็นหลักของพระพุทธศาสนาจินตามยพปัญญาจุดตมยพปัญญานั้น เป็นปัญญาของทางโลกทั่วไปใช้กันแต่ภาวนามยะญญปัญญาเนี่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าพระหานสาวกที่ท่านจะตัดกิเลสออกจากจิตใจของพระองค์ท่านเหล่านั้นได้ต้องมีภาวนามยะปัญญาเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นภาวนามยะปัญญาคือทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้สงบจากนั้นนําจิตที่สงบจิตที่เป็นหนึ่งนั้นมาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลเห็น ให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นอย่างไรในหลักของพุทธะพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์นี่นะอยู่ฝ่ายฝ่ายในภายในเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยท่านให้กรรมฐานห้ากรรมฐานห้านั่นคืออะไรเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือกรรมฐานห้า แต่แพทย์หมออย่างโรงพยาบาลศรีนะครินของเราเนี่ยการพิจารณาหรือประการเรียนรู้เรื่องแพทย์เรื่องหมอนั้นต่าง ก, กันกับการเรียนรู้เรียนเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาการเรียนรู้ทในหลักของพุทธศาสนากับการแพทย์นั้นต่างกันการแพทย์นั้นเรียนรู้ว่าผมมีหน้าที่อะไรเชี่ยวของผมเป็นยังไงเกิดมาจากไหนแล้วทําไมจึงงอกขึ้นมาทําไมจึง วิปริตอย่างนี้ทำไมมันจึงหล่นมันทำไมมันจึงร่วงอันนี้การศึกษาของแพทย์ขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันมันงอกขึ้นมาอย่างไรทำไมมันยังเป็นลักษณะอย่างนี้มันทำไมมันจึงเน่ามันจะไม่โค่นจึงเน่าทำไมจึงอกงามขึ้นมาได้อันนี้คืออันนี้แปว่าเล็บทันตาฟันก็เหมือนกันฟันที่มันหลุดมันร่วงฟันที่มันอยู่ได้เพราะอะไรทาไม มันจึงเน่ามันจึงผุอย่างนี้ตาโจหนังก็เหมือนกันคือเรียนรู้ศึกษาเรื่องผิวหนังแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าเกษาผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงนะมันอยู่ในบนศรีรษะถ้าว่าเราไม่ซักไม่ล้างไม่ทำความสะอาดไม่นานก็มีกลิ่นเหม็นสาบเออมีมีมีกลิ่นเหม็นที่บนศรีรษะของเราอันนี้ตามความเป็นจริง ให้รู้ตามความเป็นจริงนะผนผมเนี่ยไม่ใช่ของสวยงามนะขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันแหมอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้ตั้งแต่ที่แรกให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นท่านห็พิจารณาถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายของเราร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้เห็นตามความเป็นจริง ร่างกายของคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโครงสร้างของมนุษย์น่คือกระดูกใช่ไหมที่กระดูกที่มนุษย์กรตสัตก็กีไม่มีกระดูกจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของมนุษย์คือที่เรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นกระดูกใช่ไหมอันนี้คือให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ท่านี้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าในร่างกายของเรานี้มีสองอย่างอาศัยกันอยู่ พวกท่านทั้งหลายรู้ไหมอันนี้ก็คือตอนที่ทําจิตให้สงบอย่างที่ว่าน่ยที่ว่าภาวนามยะปัญญาทําจิตให้สงบนั่งจิตทําจิตให้เป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยในร่างกายของเรามีอยู่สองอย่างคือรูปธ ร, รรมส่วนหนึ่งนามธรรมส่วนหนึ่งรูปธ ร, รรมคือร่างกายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้คือรูปธ ร, รรมส่วนนามธรรมนั้น พวกเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นความนึกคิดจะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเอาเครื่องอะไรมาจับมาวัดไม่ได้ทั้งนั้นเครื่องมือทุกวันนี้ไม่มีทางที่จะวัดจิตวัดใจของคนได้วัดได้แต่สมองว่าสมองทำงานอย่างไรหัวใจเต้นอย่างไรทางานอย่างไงอันนั้นพอจะวัดได้แต่ว่าวัดความคิดของคนนั้นวัดไม่ได้ยังไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่จะมาวัดความคิดของคนได้ มีแต่ญาทัศน์ของพระพุทธเจ้าท่านเองพระพุทธเจ้าท่านฝึกหัดทางจิตภาวนาทำจิตให้สงบแล้วสามารถที่จะดูได้ว่าใครเป็นคิดเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นในครั้งพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในเมืองกุสินาราอพอพระพุทธองค์ตรัสว่าอ่เราสั่งเสียท่านเป็นครั้งสุดท้ายวยยวยธรรมาสร้างฆารา อปมาเดนะซ้ำปาเดท่าติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระพุทธองค์ก็ปิดพระโอษฐ์เงียบไม่พูดอีกไม่สั่งเสียอะไรอีกเป็นปัดฉิมโอวาทเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายที่อยู่ในคืนวันนั้นในเมื่อพระพุทธองค์ปิดพระโอษฐ์เงียบแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายก็เออพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือยังแอบก็สงสัยสนเทกันแต่นี้พระอนุรุธทธะที่ท่านได้ยานะัศนะที่ได้รับคําชมเชยยกย่องจากพระพุทธเจ้าวะนี่แหละลุกสิทธิ์ของเราเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้จักปรัตถฟิญญาคือรู้จิตใจของผู้อื่นได้คืออนุรทุทธะเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าพระพุทธองค์ปรินิพานหรือยังพระอนุรุทธะบอกว่าอย่าง เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์กําลังเข้าสู่ปฐมฌานพอสั่งเสร็จแล้วสั่งเสียเสร็จแล้วใจของพระองค์ผู้รู้ของพระองค์วิญญาณของพระองค์อท่านก็เข้าสู่ปฐมฌานจิตใจที่บริสุทธิ์ของพระองค์เข้าสู่ปฐมฌานจากนั้นเขาเข้าฌานที่สองตุติยะฌานตติยะฌานเจตุธาฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สจนถึง สัญญาเวทยิตาิโรตสมาบัตเป็นฌานที่7นะพอถึงฌานที่7ท่านก็ย้อนกลับลงมาอีกฌานที่หฌานที่5้าฌานที่4ีฌานที่3าฌานที่สองฌานที่หนะึ่งะพระอนุรุทธะรู้ทั้งหมดว่าพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในฌานไหนท่านตามรู้หมดพระสงฆ์ถามพระอนุรธธุทธะท่านก็ตอบห้ว่าพระจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในในฌานนั้นขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้จนถึงท่านก็ย้อนกลับไปอีก ่พอถึงชานที่หนึ่งแล้วไปถึงชานที่สองชานที่สามถึงชานที่สี่ในระหว่างชานที่สี่กับชานที่ห้าพระพุทธองค์ปรินิพานในระหว่างชานลูกประชานและอลูประชานในระหว่างชานที่สี่กับชานที่ห้าปรินิพานในจุดนั้นนี่แหละพระอนุรรถะท่านก็รู้ท่านเรียนท่านบอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนอกจากนี้ไปตามไม่เจอแล้วเหมือนกับตามรอยนกในอากาศอย่างนั้นแหละเออ เข้าเป็นธรรมาธาตุแล้วเป็นอวการของจิตอวกาศของธรรมตามไม่เห็นรู้แหละปรินิพานพูดได้แต่เพียงเท่าวั้ปรินินพพปรินิพานพระพูดองค์ปรินิพานแล้วเท่านั้นนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือเครื่องมือเครื่องไม้สมัยทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าใจของพวกเราคิดเรื่องอะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่อย่างนี้ นั่งฟังนี่ถ้าพวกเราปฏิเสธหลวงพ่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงพ่ออินไม่เชื่อหลวงพ่ออินหลวงพ่อก็ไม่รู้อีกเหมือนกันแต่พวกหน้าที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็พูดให้แกพวกท่านทั้งหลายฟังชี้แจงแถลงเหตุเหตุให้ฟังอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังให้เข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าอิทธิปฏิหารสแสดงฤทธิ์ได้อเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้ อนุสาสนีปฏิหารอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในหลักเหตุและผลปฏิหารสามอย่างนี่อนุสาสนีปฏิหารพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นอันดับหนึ่งมีประโยชน์อิทธิปฏิหารหรือสีชีพายผู้มีอิทธิฤทธิ์เขาแสดงฤทธิ์ได้ออนุสาอเทสนาปฏิหารดักใจทายใจนั้นเขาก็ทำได้ พวกมายาคนทั้งหลายเขาทําได้แต่ว่าอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจนี่เป็นหลักของพระพุทธศ า, าสนาพระพุทธเจ้ายกย่องอนุสาสนีปฏิหารมาในอันดับหนึ่งนะเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่ออ้างเหตุผลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปกลั่นกรองไต่ตรองด้วยเหตุและผลว่าหลวงพ่อพูดไปนี้มีเหตุผลไหมน่าเชื่อถือไหมเออแล้วก็จะทํำยังไง จะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างศีลห้าเบื้องตน้นมีคุณค่าไหมเป็นหน้าที่ของใครเพราะนั้นหลวงพ่อว่าที่คณะกรรมการให้ความคิดหลวงพ่อว่ารางวัลของชีวิตรางวัลของชีวิตหลวงพ่อมองไม่เห็นว่ารางวัลของชีวิตคืออะไรรางวัลของชีวิตก็คือศีลศีลธรรมนี่แหละ นี่แหละรางวัลของชีวิตถ้าว่าผู้ใดก็ตามฆ่าขาดศีลธรรมแล้วแปลว่าคนนั้นจิตหายผลปี้อถึงจะเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์แต่ร่างเท่านั้นเองแต่จิตใจนั้นเป็นสัตว์ติ่ไรฉานถ้าว่าทําตัวไม่ถูกอมนุษย์ติรชานโอมนุษย์ติรชาโนมนุษย์เปโตอมนุษย์มนุษสามนุษโสมนุษย์เทโบ คือสรุปแล้วคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเป็นได้หลายหลายๆอย่างแต่ร่างกายสมบูรณ์อยู่แต่ว่าจิตใจนั้นแตกแตกต่างถ้าว่าจิตใจเป็นสติไรฉานก็คือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจทําตัวเลวนะเห็นอะไรแข่งแย่งกันหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่รู้จักเคารพฉิทของใครเหมือนทาจนเหมือนกับหมูหมากาไกา่แย่งชิงกันอย่างนั้น อันนี้แปลว่ามนุษย์สัติรฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ฉาญทําอากัปกิริยาเหมือนสัตว์ติรฉาญเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแปลว่ามนุษย์คนนั้นขาดศีลธรรมเป็นสัตว์ฉาญไม่สามารถที่จะรักษาศีลรักษาธรรมได้เพราะเป็นสัตว์ติรฉาญแต่ถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์สามนุษโสดต้องรู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรปฏิบัติกับพ่อแม่ควรทําอย่างไร ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ควรทำอย่างไรปฏิบัติกับหมู่เพื่อนควรทำอย่างไรเมื่อเราทำหน้าที่การงานเราควรทำอย่างไรอันนี้แปลว่าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าไปอยู่ราสถานที่ใดถินด่นใดคนนั้นจะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นว่ารางวัลของชีวิตนั้นคืออะไรนอกจากศีลธรรมถ้าว่าคนไม่มีศีลธรรมแล้วคนนั้นไม่มีรางวัลของชีวิต เกิดมาเปล่าประโยชน์เกิดมาไร้ประโยชน์เกิดไม่มีเกิดมาไม่มีคุณค่าต่อประเทศชาติบ้านเมืองเกิดมาแล้วเป็นขยะของชุมชนและสังคมเพราะเหตุใดเพราะคนนั้นอไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างที่ว่าถ้าว่าพวกเราให้มันไตรตรองเหตุและผลมันใข้ควรศึกษาดูเดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงเรามีหน้าที่อะไรถ้าเราเป็นนักศึกษาเราก็ทํา หน้าที่ของนักศึกษาให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่อาจารย์ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นตัวอย่างที่ดีแนะนำสั่งสอนลูกของเราให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเป็นพระอยู่เดียวนี้หลวงพ่อจะเป็นพระที่ดีที่สุดให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยให้เป็นตัวอย่างของสารุสิทธิ์ทั้งหลายพร้อมกันก็เป็นผู้เสียสละ จะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรทั้งความรู้ความคิดตลอดถึงการแนะนําสั่งสอนตลอดถึงด้านวัตถุสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพราะเราเป็นพระไม่ใช่ผู้ที่จะเก็บหอมรอมริบรล้วว่าสั่งสมให้คนเดือดร้อนไม่มีการแบ่งปันถ้าเราเป็นพระเราควรทาตอนอย่างไรเป็นพระก็ให้เป็นพระที่เสียสละเป็นพระที่ดีที่สุด เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานะไหนก็ให้พิจารณาดูตนเองว่าทําให้ดีที่สุดอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าว่าทําไปแล้วทําคนอื่นเดือดร้อนอันนั้นไม่เป็นผลดีต่อตอนเองเป็นอันดับแรกต่อ น, นั้นกับผู้ที่ใกล้ชิดเราเดือดร้อนวุ่นวายต่อไปกับประเทศชาติวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุไรเพราะคนนั้นขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติ ใจเขาใจเรานี่แหละคือจริยธรรมถ้าว่าเราต้องการอย่างนี้คนอื่นเขาต้องการอย่างไรเราไปทำให้แก่เขาเขาเกิดเดือดร้อนอย่างศีลห้าอย่างเนี้ยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวสีเลนะสุขติงยันติเบื้องต้นนะสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทเยสีเลนสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีล คำว่าสุขคติตัวนี้คำนี้ไม่ใช่ว่าจะไปสู่สวรรค์อย่างเดียวสุขคติคือใครว่าการอยู่ร่วมกันถ้าคนมีสินอยู่ด้วยกันไว้เนื้อเชื่อใจกันสงบร่่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ละแวงแคลงใจกันถ้าทำการเงินด้วยกันก็ไว้ใจกันได้คงจะไม่เบียดบังคงจะไม่เอารัดเอาเปรียบหมู ให้ทําหน้าที่การเงินก็คงจะซื่อสัตย์สุดจริตแต่ถ้าว่าคนไม่มีศินอยู่ในหมู่คณะพอให้ทําหน้าที่การงานการเงินเข้าไปแล้วต้องตรวจสอบพอทําเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่สบายใจว่ามันจะเบียดบังหรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าขาดสินหาความสุขไม่ได้เลยว่าสีเลนะสุ ข, ขติงยันติเพราะฉะนั้นคนที่มีศินอยู่ด้วยกันมีแต่ความสงบร่อมเย็นเป็นสุขสีเลนะโพกสัมปทาถ้าคนมีศิน อยู่ด้วยกันการสวสแหวงหากับเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต่างคนก็ต่างหาแล้วก็ต่างคนก็ต่างเก็บต่างคนก็ต่างใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็มีความสุขมีโพคะหลั่งไหลเข้ามาถ้าว่าพวกเรามีแต่ใช้ปิดประเภทใช้แบบไม่คิดไม่อ่านศพทรัพย์สมบัติจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรต่างคนก็ต่างไม่หาอีกต่างคนก็ต่างขี้เกียจขี้คลานอีกอย่างเนี้ย ไม่มีสินแล้วความสงบหรือความราบเรือนในชีวิตจะเป็นได้อย่างไรอันนี้แปลว่าศีเลนะโพกสัมปดาสินเป็นผู้คุ้มครองศีเลนะ น, น้พุติงยันติผู้รักษาสินผู้จะไปสู่บันไดสุดท้ายคือพระนิพานที่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก็เพราะสินสินเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไต่เต้าขึ้นส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพาน เพราะนั้นสินไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านหลวงพ่อได้มาพูดในวันนี้มาพูดเรื่องรางวัลของชีวิตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวเบื้องตน้นรางวัลของชีวิตหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นจึงได้ยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติันติสินนี่แหละจะเป็นผู้คุ้มครองจะให้รางวัลชีวิตแก่พวกเราถ้าพวกเรา ขาดสินมากๆเป็นผู้ไม่มีศินแล้วขาดสินห้าแล้วเป็นคนทุสินแล้วไปอยู่ในชุมชนและสังคมใดหลวงพ่อว่านั่นละ่ะคุกตารางนั่นละ่ะจะคอยพวกเราอยู่พวกขาดสินมากๆเพราะเหตุใดเพราะเมื่อขาดศินแล้วก็สามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างถ้าว่ามีโอกาสถ้าว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ ก็ทําความชั่วได้แต่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุธทธเจ้าท่านบอกว่าการทําความชั่วนั้นถึงจะทําในที่รับก็ตามจะถึงนําทําในที่แจ้งก็ตามอันนั้นคือความชั่วเหมือนกับเราจับไฟจับไฟในที่แจ้งก็ตามจับไฟในที่มืดก็ตามจับที่ไหนก็ร้อนทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นไฟอันนี้ก็เหมือนกันความชั่วถึงจะทําในที่ใดก็ตามนั้นคือความชั่วเพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าความชั่วนั้นอย่าทํา อย่าไปคิดทําเพราะความชั่วนั้นย่อมเผาผานตามเราภายหลังอย่างพวกเราวันนี้เราทําไปคดไปโกงไปป้นไปจี่้ไปฆ่าไปแกงไปทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นเขาทั้งที่เขาไม่รู้แต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขารู้ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่กรรมชั่วที่เราทํานั่นแหละจะทับติดตามเราจะเผาผานเราเมื่อภายหลังพวกเราจะร้องหย่ร้องไห้เป็นทุกเพราะการกระทําของเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ ในโอวาทปฏิโมกตะว่าวอากคตังลุ ก, กตังเสยโยปัชชาตปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสดยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าเราทำไปแล้วกรรมชั่วนั่นจะตามเาผาผ่านเราเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกศิษย์ลูกหลานของพระพุทธเจ้าสากขยะบุตรนะ อถือว่าเป็นสกากยบุตรฝ่ายครวาตญาติโจงก็เป็นสักการบุตรเหมือนกันเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสถานะพิเษเป็นที่พึ่งก็ขอให้พวกเราหนักแน่นในศีลธรรมคุณธรรมและก็พร้อมกันพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาทุกวันนี้โยกโย ก, โยกคลอนคลอนก็เพาะเหตุใดเพราะว่าพวกเราไม่เชื่อมั่นจริงจังและจริงใจ แต่ถ้าว่าพวกเราเชื่อมั่นจริงจังและจริงใจแล้วมันโยกไม่ขึ้นคลอนไม่ขึ้นเอมันหนักแน่นหนักแน่นคือจุดไหนให้พวกเราภาวนาหลวงพ่อว่าไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นหลักที่ฝังลากลึกในพระพุทธศาสนานอกจากการภาวนาการภาวนาต้องทำยังไงคือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกำหนดให้มีสติกับลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุ หายใจออกถูกแต่บางท่านบางคนที่ไปถามหลวงพ่ อ, เ, อเมื่อปีใหม่อีกเหมือนกันเขาถามว่ า, าฉันหนูภาวนาไปศึกษ า, าในสำนักหนึ่ง เ, เวลาภาวนาเขาให้ยุบหนอ่อพองหนอก้าวหนอ่อเดินหนอ่อยกหนอ่อย่างหนอ่อแต่มาสำนักหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ภาวนาพุทธถูกหายใจเข้าพุทธหายใจออกถถกแล้ว ฉันเองก็สับสนไม่รู้จะทํายังไงเป็นยึงจะถูกเพราะเคยฝึกมาทางนู้นอยู่แล้วหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะแนะนําให้เข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมหรือว่าเป็นอันเดียวกันหรือว่าควรจะทิ้งอันนั้นทั้งหมดหรือว่าควรจะยึดอันไหนเป็นหลักอันนี้เขาก็มีความสับสนเหมือนกันผู้ไม่ได้ศึกษาจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอันนี้ก็คงจะมีหลายๆคน มีความสับสนในเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อก็บอกว่าการภาวนาจุบหนอพ่องหนอกว่าดีสัมมาอรหังกว่าดีพุทโธกว่าดีอันนั้นเป็นอากัปกริยาส่วนหนึ่งแต่เราจะยึดอันไหนก็ได้ในในหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วถ้าเราไต่ตรองศึกษาด้วยหลักเหตุผลตักศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ว่า พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนสติปัฏฐานสี่นี่คือเป็นหลักสติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตธรรมกายนั้นคืออะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกเอาเราเอาอะไรกำหนดเอากำหนดลมหายใจลมหายใจนะั้นจมูกใช่ไหมจหมูกนั้นเป็นอะไรเป็นกายใช่ไหมใช่เป็นกายแล้วยกหนอพองหนอล่ะเออท้องของเราเราเอาร่างกาย ก, ายกำหนดใช่ไหมกำหนดลมใช่ไหมใช่ เอาร่างกายกำหนดอันนี้ก็คือกายานุปนัสนาจติปฐานเหมือนกันการยกย่างก้าวเหมือนกันจุบหนอพองหนอก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นกายทั้งหมดเพราะนั้นเรากำหนดกายไม่เห็นผิดที่ตรงไหนถ้าเรารู้จักเงื่อนแล้วเราจะทำยังไงก็ได้แต่ตามอัตยาศัยของใครของเราถ้าว่าใครถูกกับจริตอะไรก็กาหนดอันนั้นได้ไม่มีอะไรอันนั้นเป็นเพียงสมัถะคือพยายามทาจิตให้สงบ จะกำหนดลมหายใจก็ได้จะจะเดินก็ได้จะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้โดยมากนอนจะหลับเร็วกว่านะแล้วก็เดินยืนเดิน น, นั่งนะนะกำหนดกรรมฐานอันไหนก็ได้สรุปแล้วแบบสรุปแบบง่ายๆว่าวะจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ตามจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าทำจิตให้สงบอย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือให้มีสตินุสติ พุทธานุสติติคือให้มีสติธํามานุสตใิให้มีสติสังคานุสติคือให้มีสติในการกำหนดเราจะกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้ า, าหายใจหนอหายใจออกหนอยบหนอพองหนออย่างนี้เดี๋ยจะเพ่งดวงแก้วอย่างนี้ก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือการพิจารณาทางกาย เป็นสมมติฐานสรุปแบบง่ายๆก่อสรุปแบบเติ้งเสี่ยวผิงพูดนะท่านบอกว่าจะเป็นแมวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้แปลว่าใช่ได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานใดก็ตามถ้าจิตทำจิตให้สงบได้แปลว่ากรรมฐานใช่ได้สำหรับคนคนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะกำหนดกรรมฐานภาวนาให้ออกกรรมฐานจับ กรรมาฐานนั้นๆจิตสงบได้อันนี้เรา ว, ว่าถูกกับจิตครุณ ค, ค, คนนั้นอันนี้เรืวว่ากายยานุปัชนาสติปัฏฐานเวทนานุปัชนาสติปัฏฐานคือเรากําหนดดูที่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวหรือลมมากระทบที่ปลายจมูกมีความรู้สึกอันนั้นเร ว, ว่าเวทนานุปัชนาสติปัฏฐานจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานคือจิตดูจิตใจของตนเองเดี๋ยวนี้เราเรานึกคิดเรื่องอะไร เราปรุงฟุ้งสร้างเรื่องอะไรเอามีเอาให้มีสติกําหนดดูตัวผู้รู้รที่มันปรุงฟุ้งอยู่นั่นน่ะให้รู้ได้อันนี้เรียก ว, ว่าจิตตานุปัสนานติปตปฐานธรรมานุปัสนานติปตปฐานคือธรรมารมณ์ธรรมารมที่มากระทบใจถ้ามากระทบขึ้นมาแล้วเสียใจดีใจดีใจทุกข์ใจทุกข์ใจดีใ จ, ใ จ, ใจอย่างั้นน่ะเอออันนี้คือค อ, อารมณ์ที่มากระทบใจอันนี้ว่าธรรมารมณ์ ที่มากระทบใจเหมือนกับน้ําตกลงจากชายคาอย่างนั้นน้ำตกลงมาจากชายคามากระทบข้างล่างพอกระทบขึ้นมาแล้วก็เป็นฟองแตกตับจมแตกตับแต่เราสังเกตดูอันนั้นว่าอารมณ์ที่มากระทบใจเรียกว่าธรรมมารมนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธญาตว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมทั้ง4ี่อย่างจะ ก, กําหนดอันไหนก็ได้จะ ก, กําหนดธรรมารมณก็ได้ ให้ดูสิ่งที่มากระทบใจดูใจของเราเศร้าหมองผ่องใสดีอกดีใจอย่างไรในเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบจิตตานุปัฏนาจิตของเราคิดปุ่งฟุ้งอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานเรามีความรู้สึกเจ็บปวดยังไงในร่างกายของเราอันนี้เวทนานุปัฏนานสติปัฏฐานกายานุปัฏนานสติปัฏฐานก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแต่ในหลักของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรานะท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสติของเรายังขาดอยู่ยังขนาดลมหยาบๆเรายังจับไม่ได้เราจะไปจับเวทนาเราจะไปจับจิตเราจะไปจับธรรมะลมจับไม่อยู่จับไม่ได้เพราะมันมันละเอียดกว่าขนาดร่างกายของเรายังจับไม่ได้แล้วจะไปจับธรรมะลมนั้น หรือว่าจิตตาโนปัชนาสติปัฏฐานนะจับไม่มันจับไม่ได้เพราะฉะนั้นจับตัวนี้ให้อยู่ซะก่อนให้รู้ให้เห็นซะก่อนถ้าจับลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วกําหนดอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นจะอยู่ให้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ด้วยสติของเราแล้วทีนี้เราจะกําหนดจิตของเราเราก็เห็นได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าสติของเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ถึงยังไงนะ สําหรับลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังจะฝึกขัดจิตตภาวนาหลวงพ่อว่าเป็น จ, จะเป็นผลดีต่อพวกเราต่อไปในอนาคตภายภาคหนา้าถ้าว่าพวกเราฝึกขัดทางจิตตภาวนากาหนดลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับร่างกายของตนเองแล้วนะต่อไปภายภาคหนา้าสติของเราก็จะเข้มแข็งเมื่อต่อไปภายภาคหนา้าเมื่ออายุแก่เท่าชรานะทุกคนพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันต้องฉลาด้วยกันทั้งหมดถ้าไม่ตายง่ายนะ ต้องแก่เช่าชลาเมื่อแก่เท่าชรลาและสติของเราจะเข้มแข็งจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมนิสัยเศร้าซึมความเศร้าซึมจะไม่เข้ามาเยือนเพราะคนมีสติอยู่จะไม่หลงตายจะไม่หลงคิดนู่นคิดนี้เพ้อละเมอเพ้อฝันถ้าเราฝึกหัดสติของเราดีแล้วเพราะนั้นการฝึกสตินีเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งสาหรับพวกเราทุกทกท่าน เป็นหน้าที่ของพวกเราในการฝึกขัดเรื่องจิตภาวนาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้พูดแนวความคิดให้แก่พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้ฟังได้ศึกษาก็เห็นว่ายืดยาวพอสมควรก็เห็นว่าการแสดงในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนาตราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเออเอื้ออานวยอวยพร พรปีใหม่ปี 2,551 ขอให้พวกเราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราถนาเสียงใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกประการ